บทที่76สคนรังแกเมียเวลาหกนาฬิกาของเช้าวันที่11สิงหาคมท่านพระครูออกจากผลสมาบัติดังที่เคยอธิษฐานจิตไว้ก่อนหน้าจะเข้าที่ต้องอธิษฐานจิตให้ออกตอนเช้า ก็เพื่อจะได้ฉันพัฒนาหลังจากที่ไม่ได้ฉันมาเป็นเวลาสาวันเต็มๆ เ, เพราะนั่งขัดสมาธิอยู่กับที่เป็นเวลา72ชั่วโมงติดต่อกันเนื่องจากการเข้าผลสมบัตในครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปอย่างปกติสามัญหากต้องการจะต่ออายุให้เท่าแก่บกดังนั้นอาการที่ปรากฏหลังออกจากสมบัตจึงผิดไปจากที่ได้เคยเป็น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 แต่แม้จะรู้สึกอ่อนเพลียเพียแรงสักปานใดก็มีสติระลึกรู้ว่าท่านจะต้องไม่สิ้นชีวิตอยู่ในห้องน้นํานี้เพราะกฎแห่งกรรมบอกว่าท่านจะต้องเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุรถคว่ำเมื่อโครคภัยไข้เจ็บที่ได้รับมาจากเท่าแก่บกถูกถ่ายเทออกมาภายนอกจนหมดสิ้นแล้วท่านรู้สึกเบาเนื้อเบาตัวและสบายขึ้นตามลําดับ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 เธอรู้ไหมสมชายการช่วยครั้งนี้ฉันเกือบจะต้องเอาชีวิตของตัวเองเข้าแลกถ้ากฎแห่งกรรมไม่บอกไว้ก่อนว่าฉันจะต้องตายเพราะอะไรแล้วแล้วก็ฉันคงต้องตายไปแล้วเธอจำไม่นะเหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่เหนือฟ้าขึ้นไปก็ยังมีกฎแห่งกรรมจัดอาหารเสร็จแล้วคนทั้งสองจึงช่วยกันประเคน ท่านเจ้าของกุติฉันได้สองสามช้อนก็อิ่มเพราะรู้สึกอ่อนเพลียจนฉันไม่ลงจึงได้แต่เดิมน้ำชาที่รสชาติทั้งเฝื่อนทั้งขมฉันเสร็จหลวงพ่อพักผ่อนสักหน่อยดีกว่านะครับอย่าเพิ่งลงรับแขกในตอนนี้เลยสยิวัดขอร้องวันนี้แขกมากันแน่นกุติเพราะหยุดกิจการไปถึงสามวัน บางคนก็มานั่งรอตั้งแต่ตีสี่นับวันควรจะยิ่งทุกข์กันมากขึ้นความเจริญทางวัตถุไม่ได้ช่วยให้ความทุกข์ของพวกเขาลดลงแต่ประการใดคืนพักผ่อนคนก็ต้องขึ้นมาพังกุฏิชันแน่เอาละไหนไหนก็ไหนไหนฉันจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละยังไม่ถึงเวลาก็ไม่เป็นไรถือซื้อว่าเป็นการชดเชยช่วงที่หยุด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 หลวงพ่อช่วยตามให้หน่อยหนีไปไหนล่ะไม่ทราบครับถึงต้องมาถามหลวงพ่อไงอ้าวก็นอนอยู่ได้กันยังไม่ทราบและอาตามาไม่เด็กไปนอนกับแม่เด็กเขาจะทราบได้ยังไงล่ะท่านย้อนถามคนเมียหนีแต่หลวงพ่อต้องทราบเพราะใครๆก็มาหาหลวงพ่อกันทั้งนั้นเวลาที่เมียหนีหลวงพ่อก็ตามกลับมาได้ทุกรายเลยด้วย คนอายุห้าดว่าแต่ต่อไปนี้อาตมาว่าจะเลิกตามให้แล้วเพราะไม่ได้มีหน้าที่ตามเมียให้ชาวบ้านเมียใครก็ตามเอาเองท่านแกล่งปฏิเสธโทรหลวงพ่อช่วยผมสักครั้งเถอะครับผมกราบละเขาก้มลงกราบหนึ่งครั้ง ไปทำยังไงเขาล่ะเขาถึงเดีน๋นี้ไม่ได้ทําอะไรครับคนตอบไม่พูดความจริงไม่ทําแล้วเขาจะหนีไปทําไมละ่ะก็อยู่กันมาถือไม้เท้ายอดตองกระบอกยอดเพชรแล้วทําไมถึงจะมาหนีตอนแก่ละ่ะบอกมาตรงๆดีกว่าว่าไปทําอะไรเขาถ้ากโกหกไม่ช่วยนะ่อาอ้าวท่านเจ้าของกุฏิครู คนถือไม้เท้ายอดทองจึงต้องเสียงอ่อยๆว่าก็าแค่เอาฟ้าโอ่งทุบหัวทีเดียวเองฟ้าโอ่งนั่นทำด้วยอะไรอะลูมิเนียมหรือไม้ไม้ครับหลวงพ่อไม้ประดูรายนี้ท่านพระครูไม่จำเป็นต้องใช้เห็นหนอช่วยตรวจสอบหรือช่วยตามเพราะเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาสตรีวัยห้าสิบเศษร้องไห้ร้องห่มมาหา ร่วมกับก้มให้ดูศีรษะซึ่งโนเป็นลูกมะกรูดหลวงพ่อดูสิคะพ่อบ้านเขาใช้ฝาโอ่งฟาดหัวอิชันฝาโอ่งทําด้วยไม้ปลาดูหนักห้ากิโลไปทําอะไรให้เขาโกรธละ่ะเข้าหาว่าอิชันทํากับข้าวไม่อร่อยคะ่ะแม้อยู่กันมาจนมีเขยมีสะพ้ายแล้วเกิดจะมาติกับข้าวไม่อร่อยอิชันไม่กลับไปอยู่กับมันแล้ว มาอยู่วัดป่ามะม่วงดีกว่าแล้วนางก็อยู่ที่วัดนี้มาตั้งแต่วันนั้นรู้ต้นสายปลายเหตุแล้วเจ้าของกุฏิจึงถามบรุษวัยใกล้หกสิบว่าเอาอย่างนี้ไหมล่ะอัตมาจะตามให้แต่โยมต้องกราบขอก็มาเขากราบงามๆต่อหน้าอัตมาด้วยทำได้ไหมล่ะถ้าไม่ได้ก็ไม่ตามให้คนเมียหนีตอบทันทีว่า ผมทำไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อเรื่องอะไรจะให้ไปกราบผู้หญิงขนาดแม่ผมแท้ๆยังไม่เคยกราบนี่หลวงพ่อจะให้มากราบเมียเขาต่อว่าไม่เป็นไรกราบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาละใครมีปัญหาอะไรก็ว่าไปท่านถามรายต่อไปโดยไม่สนใจคนอายุห้าสิบแปดที่นั่งคอตกอยู่หน้าอาสนะทหารยศพันตรีก็ามากราบแล้วถามว่า หลวงพ่อจำผมได้หรือเปล่าครับที่เคยมาบวชที่วัดนี้เมื่อปีสองพันห้ารอยจำไม่ได้หรอกโยมตั้งเกือบ2ี่สิปีแล้วใครจะไปจำได้ท่านพระครูพูดตรงๆนายพลรีจึงได้ส่งซองจดหมายเก่าๆให้ท่านซองหนึ่งท่านเจ้าของกุฏิเปิดซองออกก็พบข้อความที่เขียนด้วยลายมือของท่านเอง กระดาษที่ใช้เขียนออกสีเหลืองเพราะความล่วงไปแห่งกาลเวลาข้อความที่ปรากฏบนแผ่นกระดาษนั้นมีว่าอัตมาขอบินทบาตทนะโยมขอให้เลิกประพฤติผิดศีลข้อสามถ้าเลิกไม่ได้เวรกรรมจะไปตกที่ลูกสาวคนที่สามของโยมไม่เชื่อก็คอยดูกันต่อไปลงชื่อพระครูจเจริญทิตะธรรมโมวัดป่ามะม่วง 29สิงหาคมพุทธศักราช2500หรอ่านจบท่านเจ้าของกุฏิก็นึกถึงเรื่องราวแต่หนหลังได้สมัยนั้นในพลตรีมียศเป็นร้อยเอกภรรยาเป็นทหารยศร้อยตรีมีลูกสาวสามคนปี2500เขาได้ลาราชการมาบวชที่วัดนี้หนึ่งพษาบวชโดยไม่ได้มีศรัทธาแต่ประการใด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 นจึงจต้องเขียนข้อความข้างต้นให้เขาไว้เพื่อสอนใจคนเป็นในพลกล่าวทั้งน้ำตาว่าผมเสียใจเหลือเกินครับเสียใจที่ไม่เชื่อหลวงพ่อศึกออกไปผมก็ยังประพฤติระยำตำบอลเจ้าชู้ไม่เลือกลูกเขาเมียใครเพราะไม่เชื่อหลวงพ่อเพิ่งจะมาสำนึกเมื่อวานนี้เองเลยชวนภรรยามาหาหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อต้องช่วยได้ ท่านเจ้าของกุฏิรู้ว่าเรื่องที่เขาจะพูดเป็นความลับจึงว่าเชิญไปคุยข้างบนดีกว่าท่านลุกขึ้นแล้วพูดกับผู้นั่งรอว่าขอตัวประเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะลงมาใหม่พลรีและภรรยาซึ่งขณะนี้มียศพันโทหญิงลุกตามท่านเจ้าของกุฏิไปอย่างชั้นบนเรื่องมันเป็นยังไงท่านพระครูถามคนทั้งสองต่างพากัน ร, ร้องไห้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 หลวงพ่อช่วยผมหน่อยเถอะครับช่วยตามลูกสาวผมกลับด้วยเขาวิงวอนท่านเจ้าของกุฏิจึงเประยะขึ้นว่าไม่รู้อะไรกันนักหนารายแรกจะให้ตามเมียรายที่สองจะให้ตามลูกทั้งท้งที่อาตมาไม่มีทั้งลูกทั้งเมีย คนเป็นในพลในพานพากันยิ้มทั้งน้ําตาท่านพระครูจึงบรรลุจุดประสงค์ในการทําให้คนทั้งสองคลายเครียดเอาละ่ะเป็นอันว่าอัตมาจะช่วยแต่ต้องมีข้อแม้คือโยมจะต้องอนุญาตให้อัตมานําเรื่องนี้ไปสั่งซ้อนคนอื่นๆได้เพราะว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลสําหรับคนที่ไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ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 มันก็ไม่คุ้มกันเลยดิฉันพลาดไปแล้วจึงไม่อยากให้พ่อแม่คนอื่นๆต้องเป็นอย่างดิฉันอีกพันโทหญิงสาทยายผมได้ครับหลวงพ่อผมขอฝากเตือนบรรดาเจ้าชู้ประตูดินทั้งหลายว่าอย่าได้ประพฤติผิดศีลธรรมอีกเลยบาปการมันตามทันตาเห็นโฉละผมเข็ดแล้วครับเข็ดจริงๆอดีตนักเลงหญิงว่า อาละเอลัลลออาตมาขออนุโมทนาในกุศลละจิตของโยมทั้งสองที่ยังอุตส่าห์ห่วงคนอื่นคนบางคนนะเมื่อเข้าประสบความหายนะเขาก็อยากให้คนอื่นหายนะเช่นตัวบ้างแต่โยมทั้งสองมีจิตใ จ, ใจดีจริงๆขอกุศลละจิตนิจงบันดาลให้ลูกสาวของโยมกลับคืนสู่อ้อมอกพ่อแม่โดยเร็วนะโยมนะอาตมาขอเอาใจช่วย เอาละทีนี้ก็จะบอกวิธีที่จะเรียกลูกกลับบ้านภายในเจ็ดวันโยมต้องมาเข้ากรรมาฐานทั้งสองคนประเดี๋ยวกลับไปก็จัดการลางานซะลามาเจ็วันเลยไม่มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้หรอครับหลวงพ่อคนไปนในพลถามเพราะห่วงงานไม่มีวิธีนี้ดีที่สุดอาตมาไม่ชอบให้ของปลอมใคร อย่างอื่นเป็นของปลอมแต่กรรมาฐานเป็นของแท้และไม่มีวิธีใดที่จะแก้ปัญหาได้ดีเท่ากับการมาเข้ากรรมาฐานเอาละ่ะโยมทาตามที่อาตมาบอกก็แล้วกันมาอยู่วัดเจ็ดวันกลับไปบ้านก็ได้พบลูกแน่นอนแล้วก็ต้องสัญญากับอาตมานะว่าอย่าไปด่าเขาอย่าไปพูดถึงอดีตของเขาเรื่องเก่าก็ อย่าเอามารื้อฟื้นให้พูดกับเขาดีๆแล้วก็พามาหาอาตมานะพามาทั้งสามคนนั่นแหละอาตมาจะให้เขาเรียนกรรมาฐานก่อนจากนั้นก็จะให้เรียนมาหาวิทยาลัยคงเรียนไม่ได้ครับหลวงพ่อรู้สึกอายุจะเกินแล้วคนพูดหมายถึงเรียนมาหาวิทยาลัย ไ, ได้สิก็มาหาวิทยาลัยเปิดมีไม่ใช่หรือ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 ลางงานกันได้แล้วอาตมาจะลงไปรับแขกข้างล่างละวันนี้แขกมากันแน่นกุติเลยรายที่สามเป็นหญิงสาวหน้าตาคมคายละไม้คล้ายแขกและหล่อนก็เป็นแขกจริงๆเสียด้วยหลวงพ่อจ๋าจำหนูได้หรือเปล่าคะหล่อนถามเอเกาะ ค, ค, คลับคลา้ายครับคลาแต่ยังนึกไม่ออกหนูเคยมาที่นี่บ่อยไม่จ๊ะ เคยมาครั้งเดียวค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองหนูนำทูปเทียนแพรมากราบหลวงพ่อค่ะพูดจบหล่อนก็ประเคียนพานใส่ทูบเทียนแพรแล้วกราบสามครั้งหนูเป็นอิสระไม่เคยกราบพระหลวงพ่อเป็นพระคนแรกและคนสุดท้ายที่หนูจะกราบทำไมหรือหนูท่านเจ้าของกุฏิสงสยัยก็หลวงพ่อช่วยให้หนูหายทุก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 จึงบอกให้พวกเขาไปรับประทานอาหารตัวท่านกำลังจะขึ้นข้างบนเพื่อฉันเพนเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากร่างกายทรุดโทมเพราะการต่ออายุให้กับเท่าแก่ปกคนอื่นๆพากาันลุกเดินออกไปยังโรงครัวยกเว้นบุรุษวัยห้าิบดที่จะมาขอให้ท่านพระคกรูช่วยตามเมียบุรุษสูงวยใช้ความคิดอย่างหนักคิดแล้วคิดเล่าเฝ้าแต่คิด หลวงพ่อนี่ประหลาดคนพิลึกมีอย่างรึแค่เรามาขอช่วยเหลือตามแม่อีโน่ให้หน่อยกลับจะให้มากราบเมียหน่อยแน่ขนาดแม่เรายังไม่เคยกราบเรื่องอะไรจะต้องไปกราบเมียคลั้นนึกเห็นภาพที่ตนใช้ฝาโลงฟาดหัวคนเป็นเมียก็นึกสงสารจนน้ำตาไหลเป็นไงเป็นกันวะเขาตัดสินใจ ถึงจะไม่เคยกราบแม่แต่วันนี้จะกราบเมียละววะพอคิดตกก็ปรากฏว่าท่านพระครูเดินขึ้นข้างบนไปแล้วไอ้หนูช่วยเรียกหลวงพ่อให้ลุงทีเหอะเขาบอกในขุนทองอย่ากวนท่านเลยลุงท่านกำลังไม่สบายชายหนุ่มว่างั้นก็ช่วยขึ้นไปบอกท่านทีว่าลุงยอมกราบแม่อีหนูเขาแล้วให้ท่านช่วยตามให้ด้วย เดี๋ยวลงพูดกับท่านเองก็แล้วกันรอให้ท่านลงมาเสียก่อนบุรุษไวยใกล้หกสิบรู้สึกหงุดหงิดหากก็ปักหลักรอต่อไปความจริงแล้วท่านเจ้าของกุฏิได้ยินที่เขาพูดแต่ท่านต้องการจะทรมานคนรังแกเมีย